64. จัดตารินิสยยว่าด้วยนิสัยสีเรื่องทรงอนุญาตให้บอกนิสัยสีข้อ128ขนาดขณะนั้นแหละพึงวัดเงาแดดบอกประมาณแห่งฤดูบอกส่วนแห่งวันบอกสังคีติบอกนิสัยสีว่าหนึ่งบรรพชาอาศัยโภชนาคือคำข้าวที่พึงได้ด้วยปลีแข้งเธอพึงทำอุตสาหะในโภชนาคือ คำข้าวที่พึงได้ด้วยปรีแข่งจนตลอดชีวิตอติเรการาบคือสังขพัดอุเทสพัดนิมันตนพัดสลากพัดปักขิกพัดอุโ ป, โปโสถิกพัดปาติปัติกพัด 2. บรรพชาอาศัยผ้าบังสุกุลเธอพึงทำอุตสาหะในผ้าบาังสุกุลนั้นจนตลอดชีวิตอติเรการาบคือผ้าเปลือกไม้ผ้าใยผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่าน ผ้าเจือกัน 3. บนรรพชาอาศัยเสนาสนาคือโคนไม้เธอพึงธทรรมอุตสาหะในเสนาสนาคือควงไม้นั้นจนตลอดชีวิตอัตเร ก, กลาบคือวิหารเรือนมุงแถบเดียวปร า, าสาทเรือนโลน้นถ้ำสีบรรพชาอาศัยารรศาายาคือน้ํามูดเน่าเธอพึงทำอุตสาหะในยาคือน้ํามูดเน่านัน้นจนตลอดชีวิต อัตเรกกราบคือเนยใสเนย้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยจะตารินิสยะจบ